เกิด จ, จิตสกิดใจไปบ้างถ้าหากว่าฟังแล้วนําไปคิดแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติตามคิดว่าคงจะมีประโยชน์มากก็จะพูดในเชิงปฏิบัติจะว่าพูดให้ทําก็ได้ไม่เน้นในะพูดให้คิดนะแต่คิดได้นะคิดแล้วก็ให้ทําถ้าใครไม่สนใจฟังจะทําความรู้สึกตัวเลยก็ได้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 เพียงแค่รู้ให้สุดสายตาแบบไม่มีความหมายอะไรจิตก็ผ่อนคลายโดยไม่ต้องลุกไปไหนผมใช้บ่อยมองดูเพดานมองดูเพดานแต่ไม่ได้วาดมโนภาพนะดูเฉยเดูแบบไม่มีความหมายบางทีมันก็ยิ้มออกมาได้ก็ยิ้มแบบไม่มีความหมายให้เหตุผลไม่ได้เหมือนกันเพราะจิตมันผ่อนคลายโยนความรู้สึกออกไปข้างนอกซะเป็นการช่วปล่อยเชื่อคลายเขาเรียกว่าช่วยละลายพฤติกรรมของจิตไม่มีความหมายสบายแล้ว แลเวลาเราจเจริญสติถ้าจิตมันเครียดมันคิดมากก็ไม่เวลาหรอกแก้ไขเปลี่ยนดับสายตาเปลี่ยนมองไกลๆเมื่อเราจะมาหายใจเล่ น, เล น, เล น, เลนๆเบาๆอันนี้ก็ช่วยผ่อนคลายได้ทําให้จิตเนี่ยกลับสู่สภาะที่เป็นปกติรู้จิตสบายเบาขึ้นนิสัยของนักปฏิบัติเนี่ยพอเริ่มจเจริญสติก็เริ่มตั้งจิตได้ผิดแล้วจะมุ่งกับความสงบอยากให้มันสงบ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 ไม่ได้คิดเปล่าเนอะเราไปเชื่อเชื่อความคิดว่าไอเนี้ยมันเป็นตัวเป็นตนของเราไอความคิดเนี่ยเป็นตัวนตนของเราของเราจริงๆเกิดการยึดมั่นถึอมั่นให้ได้อย่างใจแล้วเวลามันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้อย่างใจเราเราก็เป็นทุกข์เพราะาเราไม่ได้เห็นความคิดเพราะไม่เห็นความคิดจิตจึงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราเองนะเป็นเรื่องของจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยจะทำอย่างไรไม่ต้องทําอะไร ของเข้าดีอยู่แล้วผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไปทําเข้าอะไรมันทําให้จิตมันวุ่นวายนะไปหาเรื่องให้จิตมันเกลียดการเจริญสติเนี่ยเพราะทําเพื่อว่ารักษาจิตเป็นปกติเหมือนเดิมการเจริญสติเป้าหมายคือเพื่อให้เห็นจิตที่มันคิดเป้าหมายคือเพื่อหเห็นจิตมันคิดเป็นการฝึกหัดดัดนิสัยไม่ได้ฝึกจิตแต่เป็นการฝึกนิสัยจิตไม่ต้องฝึกเขาดีอยู่แล้วนะแต่นิสัยเราไม่ค่อยดีจึงต้องฝึก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 ถ้ากายมันเคลื่อนไหวเนี่ยมันปลุกปลุกให้จิตมันตื่นเห็นเราดูภาพนิ่งกับดูภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันต่างกันมวยจดจดจ้องจ้องมันก็หน้าเบื่อแต่มวยที่ชกที่ยับที่เตะเนี่ยมันมันมันตื่น่ดูกายเหมือนกันกายที่เคลื่อนไหวทำให้จิตมันตื่นแล้วกายนี่มันไม่ได้คิดอะไรกายใครคิดบ้างมือเคลื่อนไหวของใครคิดบ้างเท้าเดินจงกรมใครคิดบ้าง กายมันไม่คิดอะไรมันซื่อๆมันซื่อๆอยู่เมื่อมันไม่คิดหนิมก็ดีทำให้จิตจะเป็นกลางได้ง่ายจิตเป็นกกายได้ง่ายเมื่อเรามาดูกายดูแบบห่างๆนะดูแบบไม่เข้าไปอยู่ดูห่างเออกกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นเป้ารู้กายเป็นรู้แบบซื่อๆเองี้ยเป็นเป้าล่อให้จิตมันคิดเคยสังเกตไหมบาทีจิตไม่คิดวทนาเกิดขึ้นมันปวดมันเมื่อยมันหิว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 นิสัยชอบหนีความจริงอันเนี้เป็นการแอบดูจิตโดยอาศัยกายเป็นเครื่องรอเหมือนเราเนี่ยเมื่อเราทํางานเนี่ยเราทํางานอยู่นะใช้ชีพจํามันเนี่ยเราไม่มีสติไม่ได้จิตสติเราไม่เห็นนิสัยเราเหรอกเห็นคนไม่ดีหน่อยต้องไปเตือนเขานิสัยเราเนี่ยเห็นเขาไม่ดีเนี่ยทนดูไม่ได้ต้องไปเตือนไปบอกเขาอันตรายนะ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 ในที่ประชุมก็ดีห้องสมุดก็ดีเขียนว่าโปรดรักษาความสงบแสดงว่าสิ่งนั้นมัอยู่แล้วสมัยก่อนนี่สมัยเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเห็นไหมเวลาอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเวลาครูเข้ามาสอนเด็กก็จะบอกว่างี้เงียบหน่อยไอ้คนนั้นก็ลุกไปตีคนโน้นลุกไปตีนิดเงียบหน่อยไอ้คนตะโกนอ่ะทําให้ไม่เงียบเพราะถ้าอยู่เฉยๆนะมันก็สงบเหมือนจิตเราเน่ยเขาเป็นปกติอยู่ก่อนเราวังรู้สึกตัวดู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 เวลาจิตฟุ้งซ่านก็ไปผ่อนคลายอย่างเขาก็ไม่ได้ทุกอย่างมันจํากัดหมดเลยความทุกหาง่ายความสุขหายยากอ๋อแต่ก็ขอบคุณมันนะผมก็ใช้ความทุกเดี๋ยะเอามาท้าทายความสามารถมันซะเอาความทุกไปแลกกับความไม่ทุกเอาความทุกที่มีอยู่เยไปแลกกับความไม่ทุกมันคุ้มค่าไหมคุ้มค่านะอาติธรรมบางท่านเนี่ยทําบุญหนึ่งบาทจังแรกกับ น, นิพพานเลย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 อย่าไปตั้งใจอย่าไปใส่ใจอย่าไปบังคับมันจิตเพิ่งแค่หน้าที่ธรรมดาอย่างน้อยทุกครั้งที่จิตมันรู้จิตมันก็ทุกอยู่แล้วในตัวมันมันเป็นทุกอยู่ในตัวแล้วจนกลัวร่ากายกับจิตเป็นทุกอยู่แล้วเนี่ยให้เราเห็นมั้งไงว่าอ๋อความจริงของจิตเนี่ยเป็นทุกมันเคลื่อนตัวไปคิดตั้หน่อยเดียวนั่นแหะมันก็เป็นทุกแหละเห็นไหมบางคนเนี่ยไปเดือนไปไปเดือนมาเนี่ยขี้เกียจคิดนะพราะมันขี้เกียจคิดพอคิดแต่ละครั้งเนี่ยบางทีมันเป็นทุก เคยไหมเวลาขายให้เรามาคิดอะไรเนี่ยโอ้ไม่อยากคิดอะทาไมถึงไม่อยากคิดเพราะมันเป็นทุกข์ถ้าเป็นสุกขมันอยากคิดธรรมดาถ้าเจตนารู้นนานๆบ่อยๆเนี่ยก็มันก็จะเครียดจะเหนื่อยแต่ถ้าเขารู้เองแล้วก็มันจะเบาลงเลยไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยทุกข์ถึงเวลาจิตมันหยุดอยากจะหยุดเองถึงเวลาจิตมันหยุดอยากจะหยุดเองเนี่ยบางทีมันรู้มากๆมันก็อยากจะหยุดเองอยากจะหยุดที่จะรู้อยากอยู่นิ่งๆเฉย อันนั้คือความทุกข์ของจิตที่มันขึ้นๆลงๆอย่างนั้นแล้วเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเวลาเราเจริญสติเนี่ยอย่าไปกลัวว่าจะไม่รู้อะไรนะอย่าไปกลัวว่าเดี๋ยวมันจะหลงไปไม่เป็นไรหรอกมันหลงก็ไม่เป็นไรเมื่อมันรู้ได้มันก็หลงได้เหมือนกันไ็่เรื่องธรรมดาเมื่อหลงได้กลับมารู้ได้เหมือนกันก็ไม่เรื่องธรรมดาปล่อยเขาทำสมาธิเองเขาอย่าไปจัดแจงจัดการเขาให้ได้อย่างใจเราสบายแล้วแล้วอยู่วงนอกดูอยู่นอ ก, นอกดู้อย่างห่าง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 ถ้าแมวงวงวงวดไปต้องดูรูหนูหนูไม่ออกมาแล้วแมวฉลาดนอนไม่รู้ไม่ทีก็ดิ้ขางเดินหนูมาทะคุปปับเลยแต่ต้องดูนะต้องเป็นแมวที่ไม่คิดมากถ้าแมวคิดมากแบบแมวโดเรม่อนนี่มันช่ไม่ได้มันกลัวหนูทําไม่รู้ไม่ทีเฉยเดี๋ยวจะเห็นอาการของจิตที่มันคิดออกมาถ้ามันฟุนม้มากๆ ก, กลับมาดูกายเคลื่อนไหวการมาดูกายเคลื่อนไหวในระหว่างที่รอจิตมันคิดเนี่ยมันได้ความเพียรได้เติมพลังของสติ เ็นเต็มกับการเคลื่อนไหวเป็นความเปลียนรู้สึกรู้สึกอย่าไปรอว่าเมื่อไหร่จะคิดเมื่อไหร่จะคิดถ้ามันคิดมาเราก็ไม่รู้ตัวละอย่างนั้นอนะ่ะเพราะเราคิดไว้ก่อนแล้วเมื่อไหร่จะคิดเนี่ยใจมันคิดแล้วไม่รู้อ่ะไอ้รอความคิดหน้าตาเป็นไงไม่รู้เอามาดูกายก่อนถ้ามันมั่ว น, นักนะมาดูกายเคลื่อนไหวดูเล่นเล่นเอากายเคลื่อนไหวเป็นเป้าล่อให้จิตมันคิดออกมาสองอย่างชีวิตเราเนี่ยมีกายกับจิตตรงนั้นอนะ่ะดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึก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 ว่าแมวนี่ตัวผู้ตัวเมียพอดูไปานานเนี่ยโอ้นี่แมวตัวผู้ตัวเมียจะรู้เองจะเห็นขนของแมวว่าเป็นยังไงเนี่ยเท่กับเห็นาราละเอียดของแมวเลยนะดู บ, บ่อยๆเห็นบ่อยๆก็ต้องเห็นแมวเป็นแมวเหมือนดูกายดูใจ บ, บ่อยๆเนี่ยจะเห็นตัวเราเนี่ยเป็นไตลักษ์ไปทั้งหมดเลยไม่ใช่ดูเดี๋ยวเดียวดูบ่อยๆเราจะเห็นไตลักษ์ปรากฏขึ้นชัดเจนความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับบัญชาไม่ได้เขาจะปรากฏขึ้นในเราชัดเจน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 ปล่อยไปตามธรรมชาติสมควรอยู่ที่จะไปทําอะไรกับเขาแค่รู้เฉยๆปล่อยเการู้บ่อยๆเนี่ยบางทีมันก็จะลากเราไปสะพักนะแต่ถ้ารู้ตามเนี่ยมันก็จะหายไปเหมือนกับมันลากไปอีกไม่เป็นไรหรอกให้มันลากไปบ้างลากเพื่อให้เราได้รู้ชัดๆเราไม่ต้องไปทําอะไรนะเมื่อมันคิดขึ้นมาเรารู้ว่ามันคิดพาดสติเข้มแข็งมันก็จะตัดถ้ายังไม่เข้มแข็งพอมันก็ยังไม่ตัดได้ง่ายก็รู้ไป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 ถูนี้มือเล่นเล่นรู้สึกตัวเนี่ยเอานิ้วจีกับนิ้วหัวมือถูกันเบาๆรู้สึกตัวทำไปเถอะทำบ่อยๆบ่อยๆจากสติธรราก็กลายเป็นความรู้สึกตัวแล้วมันก็จะไปเห็นความคิดที่มันละเอียดแล้วรู้ไปบ่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผู้ดูโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปทำอะไรผู้อตค์จึงบอกว่าอาตาปีสามปัญโนสติมาคือมีความเพียร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 ความเคยชินก็เกิดความเป็นเองอยากจะให้อาจารย์แนะนําหน่อยอะค่ะว่าสมมติว่าเวลาเราทํางานอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็มีการคิดเรื่องงานบ้างบางทีไปกระท บ, บอารมณ์อื่นบ้างแล้วบางทีเราก็ปรุงแต่งเองบ้างเงี้ยค่ะอาจารย์แนะนําให้ทํำยังไงดีคะเพราะว่าเราทํางานอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยรู้มันกระทบอารมณ์แล้วก็คอยรู้มันการค่อยรู้บ่อยๆเนี่ยมันเป็นการช่วยผ่อนช่วยคลายจิตได้บางครั้งเนี่ยเวลาเราคิดมากๆเนี่ย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 แล้วเราสร้างความเคยชินที่จะรู้สึกตัวบ่อยๆ อ, อย่าเคลื่มไปฟรีๆอย่าทุกข์ฟรๆอย่าคิดฟรี ๆ, ๆคอยรู้บ้างๆไอ้บ่อยๆนี่แหละมันจะเกิดความเป็นเองจึงต้องมีความเพียรขณะทํางานเนี่ยเวลาคิดมากๆเราแอบดูสมาอ๋อนี่เราคิดมากแค่เนี้ยก็ได้คะแนนสติแล้วแอบดูจิตเห็นไม้มแอบดูจิตเนี่ยโหได้ข้อมูลมากนะแอบดูอะไรก็ตามนิ่ได้ข้อมูลชัดเจน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 มันบ่งบอกถึงจิตใจที่เบิกบานคนที่ยิ้มได้เนี่ยสแสดงว่ามีความรู้สึกตัวแล้วก็ใจได้แล้วเนี่ยมาที่นี่ก็มีความสุขเห็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสเออเนี่เป็นพวกเดียวกันไปเจอแต่คนเคร่งเครียดเจ้าแต่องค์ความรู้อยู่นั่นแหละไม่เอาความรู้สุขตัวเลยคนที่เล่าเรียนเอาแต่องค์ความรู้เนี่ยมันจะเครียดจิตไม่ผ่อนคลายอย่างเงี้ยยิมย้มแจ่มใสหน้าพูดคุย